ความหลงคืออะไรอะไรคือความหลงในทางพระพุทธศาสนาความหลงนี้มาจากคำว่าโมหะอวิชชาคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบวัวเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริง เช็นเห็นสีเขียวเป็นสีแดงเห็นสีแดงเป็นสีเขียวอย่างนี้เรียกว่าหลงเพราะว่าถ้าไปเห็นสีเขียวเป็นสีแดงสีแดงเป็นสีเขียวเวลาที่มาขับรถมาที่สี่แยกไฟแดงอะไรจะเกิดขึ้น เห็นไฟแดงเป็นสีเขียวก็จะไม่จอดก็จะวิ่งต่อไปส่วนรถที่วิ่งมาอีกทางหนึ่งก็เห็นสีสีเขียวเขาก็วิ่งมาเขาก็ไม่จอดเมื่อเราไปเห็นสีแดงเป็นสีเขียวเราก็ไม่จอด ก็วิ่งต่อไปก็จะต้องไปชนกับรถคันอื่นเพราะว่าเราสายตาของเราไม่ดีใจของเราก็เป็นเหมือนสายตาที่เห็นผิดชอบเห็นจากความเป็นจริงเห็นไม่เห็นตรงกับความเป็นจริงเช่นพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าผู้ที่มีความหลง จะเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นตัวเราเมื่อไปเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขก็จะเดินเข้าหา เหมือนกับคนที่เห็นยาพิษคิดว่าเป็นยาแก้ปวดแก้ไข้เวลารับประทานแทนที่จะหายจากอาการเจ็บไข้ได้ปวด่วยก็จะตายไปพ่อไปกินยาพิษนั่นเองพ่อไปเห็นว่ายาพิษเป็นยาแก้ไข้แก้ปวด ยารักษาโรคภัยไข้เจ็บสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ทรงเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขส่วนสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเรานี้กลับไปเห็นว่าเป็นสุขกันเมื่อเห็นว่าเป็นสุขเราก็ ไปเอามากันเอามาเพื่อที่จะได้ให้ความสุขกับเราแต่แทนที่เขาจะให้ความสุขกับเราเขากลับมาให้ความทุกข์กับเราเช่นเราเห็นว่าลาบยศสรรเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นความสุขกันเราจึงไปหาลาบไปหายศ ไปหาสรรเสริญและไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลธภะชนิดต่างๆมาเสพกันแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับลาบยศสรรเสริญทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภาที่เราคิดว่าเป็นความสุขเพราะอะไรสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นกลับไม่ได้เป็นความสุข ก็เพราะว่าเราไปเห็นเขาว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความจริงเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาเป็นของชั่วคราวเขามีมาแล้วก็มีไปมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสือ่อมเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลตพัช ชนิดต่างๆที่เราไปแสวงหากันมาเราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วเขาก็จากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขต่างๆ ทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันร่างกายนี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดแต่ใจของพวกเรานี้กลับไปเห็นว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขกับเราเพราะจะเป็นเครื่องมือที่เราจะได้ใช้ในการหา ความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราต้องมีร่างกายก่อนเราถึงจะสามารถไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่เรามองไม่เห็นว่าเขาไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนและก็ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนั่นเองไม่ช้าก็เรยววันใดวันหนึ่งสิ่งที่เราได้มา ก็ต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องจากเขาไปนี่ก็เป็นความหลงที่เรามองไม่เห็นกันอันที่สองและที่สามคือมองไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามองไม่เห็นว่าเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเขาเป็นของเราได้ชั่วระยะเวลาหนึง่ง ชาวบ้างเร็วบ้างเขาก็ต้องจากเราไปนี่คือเรื่องของความหลงที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งปวงยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวที่ทรงมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่สามารถมองเห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ องทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่าเขาเป็นของชั่วคราวของไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นของที่มีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะว่าจะต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปแต่มีอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบที่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพบไม่มีใครรู้มาก่อนว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริง นี่คือการตัดสรุของพระพุทธเจ้าที่ทำให้พระพุทธเจ้านี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่พวกเรายังติดกันอยู่เพราะพระองค์ทรงตัดสรูว์ความจริงว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าไม่เที่ยงเพราะว่าไม่ใช่เป็นของเรา แล้วก็สงคนพบว่ามีสิ่งเดียวที่เราที่เป็นของเราที่ให้ความสุขกับเราและจะอยู่กับเราจะไม่มีวนันเปลี่ยนแปลงไม่มีวนันสูญหายไปจากเราสิ่งนั้นก็คือความสงบของใจนี่คือความเห็นของพระพุทธเจ้ากับความเห็นของสัตว์โลกอย่างพวกเรา เห็นตรงกันข้ามกันเราจึงมีความเห็นสองแบบที่เรียกว่าความเห็นชอบกับความเห็นไม่ชอบความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิความเห็นไม่ชอบก็คือมิจฉาทิฏฐินี่เองสัรโลกทั้งหลายที่มาเกิดกันในโลกนี้มาเกิดด้วยมิจฉาทิฏฐิ คือโมหะความหลงโมหะความหลงนี่แหละเป็นตัวที่พาให้สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะเราไปหลงคิดว่าการมีร่างกายการได้เกิดนี้จะมีความสุขกันเพราะเมื่อเรามีร่างกายและเมื่อเราได้เกิดแล้วเราก็จะได้หาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ หาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพากันแต่พอเราหามาได้แล้วไม่ช้าก็เร็วสิ่งที่เราหามาได้ก็มีอันเป็นไปมีวันที่จะต้องพัดพากจากเราไปมีวันเสื่อมลงไปมีวันหมดไปเวลาเสื่อมไปเวลาหมดไปเวลาจากเราไป ความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆเหล่ า, าลนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ไปเพราะเรายังไม่อยากให้เขาจากไปเรายังอยากจะให้เขาอยู่กับเราต่อไปนี่คือความทุกข์ของพวกเราความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความหลงที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนเลย ไปหลงคิดว่าความสุขที่แท้จริงอยู่กับสิ่งต่า ง, างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพพชนิดต่างๆพวกเราก็เลยมาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภากันแต่แทนที่จะได้ความสุขเรากลับได้ความทุกข์ เพราะว่าความสุขที่เราได้นั้นมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเหมือนควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปพอหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เพราะความอยากให้ความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนั้นคงอยู่ต่อไป แต่สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เขาเป็นอนิจจ์เป็นอนิจจังเขาเป็นของชั่วคราวเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะร่างกายที่เราได้มานี้ในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปพอร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ โดยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็จะหมดจากการเป็นสิทธิของเราเวลาเราตายไปนี่เราไม่สามารถเอาราบยศสรรเสริญเอารูปเสียงกลิ่นรสผดตัพะเอาบุคคนนั้นบุคคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปกับเราได้เลยเราไปเพียงลำพัง ผู้ที่ไปนี้ก็คือใจใจที่ยังไม่ได้ค้นพบความจริงยังไม่ได้พ้นพบความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจเมื่อยังไม่ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจก็จะไปกับความหลงต่อไปความหลงก็จะพาให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ไปหาความสุขใหม่ ก็ไปเกิดใหม่ไปเกิดแล้วก็มาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการพัดพาาจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัชนิดต่างๆไปนี่คือวงจรของผู้ที่มีความหลงครอบงำจิตใจ มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นว่าความสุขนั้นอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปรเสียงกลิ่นรสผลตภะก็จะต้องหมุนเวียน่หวตายเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ความเห็นชอบนคนที่จะ มีความเห็นชอบได้โดยตนเองนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งมีสักคนหนึ่งนอกนั้นแล้วไม่มีใครจะสามารถมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบขึ้นมาได้ด้วยตนเองคนที่มีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นได้ด้วยตนเองนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่แหละ ท, ที่เมื่อก่อนนี้ก็ถูกความหลงความเห็นผิดเป็นชอบ โมหะอวิชชาครอบงำจิตใจที่หลอกให้พระองค์ต้องไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้งกายมาเป็นหลายล้านหลายแสนล้านชาติแล้วและยังจะต้องหาต่อไปถ้าไม่ได้ค้นพบสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะเป็นของไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงและได้ทรงค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของเราเองอยู่ที่ความสงบของใจบุคคลเหล่านี้นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง เช่นพระพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้พ้นพบสัมมาทิฐิความเห็นชอบพระองค์ก็อยู่ภายใต้อำนาจของโมหะอาวิชชาความหลงความเห็นผิดเป็นชอบพระองค์ก็ทรงหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ทรงมีพาะมาเหสีแต่งงานมีลูกทรงมีปราสาทสามฤดูไว้สำหรับให้มาสนอมตอบความต้องการของใจแต่วันหนึ่งพระ อ, องค์ก็ทรงได้เสด็จออกไปนอกกําแพงและทรงไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชจึงทำให้เกิดมีประเด็นที่ทำให้พระ อ, องค์จะต้องคิดขึ้นมา ว่าทำไมคนเราเกิดมาแล้วถึงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแล้วเมื่อต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วความสุขต่างๆที่หาได้นี้มันก็ไม่ได้เป็นความสุขเสียแล้วเพราะว่าเวลาแก่ก็ไม่สามารถที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาตายไป ก็ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญได้พ่อองค์ก็เลยทง่งเห็นว่าความสุขที่ทรงได้ทรงมีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นความสุขปลอมไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเป็นความทุกข์ในคราบของความสุขความเป็นจริงแล้วมันเป็นความทุกข์ พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่สักวันหนึ่งเราก็ต้องทุกข์กันอย่างแน่นอนแลาก็ทุกข์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกข์มากทุกข์น้อยเท่านั้นเองแต่ในที่สุดก็จะต้องทุกข์และก็จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสุขไปทั้งหมดเหลืออยู่ให้กับเราก็คือความทุกข์ระทมใจเท่านั้นเองพอองค์ก็ส่งพิจารณาและก็สรง เห็นนักบวชก็เลยทรงทราบว่านักบวชนี้เป็นผู้ที่แสวงหาความสุขรูปแบบหนึ่งความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับกับตน นักบวชเหล่านี้เขาถึงสละความสุขทางร่างกายไปหมดนสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อไปหาความสุขของใจที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ใจสงบนพวกนักบวชทั้งหลายเขาก็เลยออกจากเรือนออกจากบ้านเมืองกันเพื่อไปอยู่ในป่าในเขา ไปตามสถานที่สงบส ง, งัดวิเวกเพราะว่าสถานที่ในบ้านในเมืองนี้เป็นสถานที่ที่มีมีเหตุการณ์ต่างๆอกระทึกคึกโครมมีรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆที่คอยยั่วยวนกวนใจคอยล่อให้ใจติดอยู่เซฟอยู่กับความสุขที่เป็นความสุขปลอม เป็นความสุขชั่วคราวถ้าต้องการที่จะพบกับความสุขในรูปแบบใหม่คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจผู้ปฏิบัติผู้แสวงหาความสุขแบบนี้จึงจำเป็นที่จะต้องทิ้งความสุขในรูปแบบเก่าไปให้หมดคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากการมีลาบยศสรรเสริญ แล้วก็ไปปีกวิเวกอยู่ตามลำพังในสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆก็ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาพระพุทธเจ้าก็ส่งสะละราชสมบัติแล้วก็ส่งบุ่งไปปฏิบัติไปสวางหาความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงคือความสงบของใจ ในป่าในเขาโดยการไปศึกษากับผู้รู้ผู้ที่รู้จักวิธีสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแต่ในยุคนั้นไม่มีใครรู้วิธีสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบของใจได้อย่างถาวรรู้แต่วิธีที่สร้างได้ชั่วคราว คือความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติเพื่อทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิในยุคนั้นมีผู้รู้มีความสามารถในระดับนั้นเท่านั้นคือสามารถทำใจให้สงบเป็นค้างค้ ง, คงเป็นค้างเป็นข่าวเป็นพักพักแต่ไม่สามารถทำให้ใจสงบไปตลอดเวลา พระ อ, องค์ก็เลยยังไม่ได้พบสิ่งที่พระ อ, องค์ปรารถนาคือความสุขที่ถาวรความสุขที่จะเป็นของพระ อ, องค์ตลอดเวลาเป็นความสุขที่จะไม่เสื่อมไปจากพระทัยของพระ อ, องค์พระ อ, องค์เลยต้องพยายามคน้นหาวิธีสร้างความสุขที่ถาวรขึ้นมาจนในที่สุดก็ส่งค้นพบวิธี สองคนพบว่าความสุขที่ถาวรนั้นเกิดได้ต่อเมื่อทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเพราะว่าความอยากต่างๆนี่แหละเป็นตัวที่มาทำลายความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธิเวลาใจเข้าไปในสมาธิเข้าไปในความสงบเวลานั้นใจมีความสุขอย่างมาก แต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะก็ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาไปคิดถึงร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามีความอยากไม่ให้ร่างกายนั้นแก่ ไม่อยากให้ร่างกายนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตายไปหลังจากที่พระองค์ทรงพิจารณาอย่างรอบคอบก็เลยเห็นว่าความสุขที่ได้จากสมาธินั้นหมดไปเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมาปล่อยให้ความอยากมาเหยียบย่ำทำลายนั่นเองความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะ ความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเมื่อทรงเห็นว่าความอยากนี้เป็นตัวที่มาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบพระองค์ก็เลยทรงหาวิธีเลิกความอยากต่างๆก็ทรงค้นพบความจริงว่าความสุขต่างๆที่ หาได้ด้วยความอยากนี่เป็นความสุขปลอมเพราะเป็นความสุขชั่วคราวประเดียวเดียวเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นของชั่วไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเช่นเมื่อเมื่อคืนนี้ไปเที่ยวกันก็ได้ความสุขในขณะที่ไปเที่ยวกันพอกลับมาบ้าน ความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดก็ทําให้อยากจะต้องออกไปหาความสุขใหม่อีกรอบหนึ่งในคืนนี้เป็นต้นทรงพิจารณาเห็นว่าความสุขเหล่านี้ที่ทําตามความอยากนั้นไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงแทนที่จะเป็นความสุขกับเป็นความทุกข์เพราะเวลาอยากได้ความสุขแบบนี้แล้วไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นวันนี้คืนนี้อยากจะออกไปเที่ยวแต่ไม่มีเงินอย่างนี้ออกไปไม่ได้หรือไม่สบายไปไม่ได้ความสุขที่จะได้รับก็หายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่เพราะว่าไม่ได้ไปหาความสุขตามที่ต้องการจะหานั่นเองนี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบว่าความอยากต่างๆ นั้นเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าจะไม่สามารถตอบสนองความอยากไปได้ตลอดนั่นเองจะต้องมีเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้เช่นอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อาจจะไม่ได้มาก็ได้หรือไม่มีความสามารถที่จะไปเอามาก็ได้ เรือได้มาแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้อยู่กับตนไปได้ตลอดได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดภาคจากกันไปพระพุทธเจ้าก็เลยสามารถเลิกความอยากต่างๆได้เพราะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจไปอยากว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราว มันไม่ได้เป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบส่งค้นพบอนิจจังทุกขังอนัตตาสรงค้นพบว่าความทุกนี้เกิดจากความอยากของใจเองไม่ได้เกิดจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แม้เขาจะไม่เที่ยง มมนจะไม่ใช่เป็นของเราเขาจะไม่ให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปไม่ไปหลงคิดว่าเขาเที่ยงเขาเป็นของเราเช่นของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ค่อยทุกข์กับเท่าไหร่เช่นลูกของคนอื่นสามีภรรยาของคนอื่นสมบัติเข้าของเงินทองของคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์หรอกเวลาที่เราเห็นเขาสูญเสียกันไปเวลาเราเห็นความเป็นอนิจจังของ ของสิ่งเหล่านั not, ้นเพราะว่าเราไม่ได้ไปหลงคิดว่าเป็นของเราเราไม่มีความอยากให้เป็นของเราหรืออยากอยู่ให้อยากให้อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองความทุกข์เกิดจากความอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเรานั้นเป็นของเราไปตลอดถ้าเราไม่มีความอยากแบบนี้แล้ว ต่อให้เรามีอะไรมากน้อยเพียงไรเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เรามีเลยถ้าเราไม่ยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราไม่มีความอยากให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีความอยากให้ร่างกายนี้เป็นของเราไปตลอดไม่มีวันพัดพาคจากเราไปถ้าเราไม่มีความอยากเหล่านี้เราจะไม่มีความทุกข์เลยเวลาที่ร่างกาย ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นเห็นชอบ เ, เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เราได้มาไว้เป็นตัวเราของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเหมือนกับได้รถยนต์คันหนึ่งมาใช้เท่านั้นเองไม่ช้าก็เร็วรถยนต์ที่เราได้มามันก็ต้องเก่าเก่าแล้วก็ต้องเสียเสียแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องพังไปร่างกายก็เช่นนั้นได้ร่างกายมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไป แต่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเราไปมีความหลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่อยากตายเราไม่อยากแก่เราไม่อยากเจ็บทั้งๆที่ความจริงเราไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายกันใจของเรานี้ไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายแต่ความหลง หลอกให้ใจไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแล้วก็เลยไปคิดว่าเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจก็จะแก่จะเจ็บจะตายไปกับร่างกายอันนี้ความหลงที่หลอกให้พวกเราทุกข์กันเพราะเมื่อเราไปหลงคิดว่าอะไรเป็นของเราเป็นตัวเราก็จะมีความอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอด แต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเห็นว่าเขาไม่ใช่ตัวเราเขาไม่เที่ยวเราก็จะไม่เกิดความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเราไม่มีความอยากความทุกข์ในใจของพวกเราก็จะไม่มีนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบวิธีที่จะทำให้ใจของพระองค์นั้น มีแต่ความสุขตลอดเวลาก็ทรงค้นพบสัมมาทิฐินี้เองว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบของใจเพียงอย่างเดียวของต่างๆนอกจากนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้ามีความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาความอยากนั้นก็จะมาทําลายความสงบของใจทันทีใจผู้ที่มีสัมมาทิฐิก็จะต้องกําจัดความอยากทันที เวลาเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกยลิ่นรสผลตพะเวลาเกิดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะกาจัดมันทันทีเพราะถ้าปล่อยให้มันงอกงามออกไปมันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้กับใจไปโดยใช่เหตุแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงของ สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ก็ยังจะต้องเป็นอนิจจังเหมือนเดิมจะต้องมีการเจริญมีการเสื่อมเหมือนเดิมมีการเกิดมีการแก่มีการเจ็ บ, ม, บมีการตายเหมือนเดิมมีการเกิดมีการดับเหมือนเดิมมีการมามีการไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ที่ที่เดือดร้อนก็คือใจ ถ้ามีความหลงไปทําให้เกิดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่ง น, นี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไม่หมดไปให้เป็นของเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะถูกโมหะความหลงครอบงำจิตใจมองไม่เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวธรรมทั้งหลาย มองไม่เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปควบคุมบังคับหรือไปห้ามไม่ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบจึงทําให้พระองค์นั้นไม่ต้องมีความทุกข์กับอะไรในโลกอีกต่อไปไม่ต้องทุกข์กับการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญ ไม่ต้องทุกข์กับความเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสผลพะไม่ต้องทุกข์กับความเสื่อมของร่างกายคือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าถ้ามีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีและไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้ไปห้ามให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่อย่างใด ร่างกายก็ยังต้องแก่เจ็บตายไปอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสริญก็ต้องเสื่อมไปอย่างนั้นตามสภาพของเขาไม่มีใครที่จะมาห้ามมายับยั้งเขาได้เมื่อถึงเวลาที่เขาจะเสื่อมเขาก็ต้องเสื่อมไปตามเหตุตามปัจจัยแต่ใจของผู้ที่เข้าใจหลักความจริงแล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้ว กรรมจัดมิจฉาทิฏฐิความหลงความเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่ทุกข์กับการสูญเสียพัดพลากจากของที่เป็นของเราเพราะจะรู้ว่าไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนั่นเองจะต้องมีวันหนึ่งที่ของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้จะไม่อยู่กับเราอีกต่อไป แต่ใจของเรานี้จะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าใจของเรามีความสงบเป็นที่ตั้งแต่ถ้าเรายังไม่มีความสงบเป็นที่ตั้งนี้เราจะต้องไหลไปตามความอยากทันทีเพราะเราคิดว่าการได้ทําตามความอยากจะทําให้เรามีความสุขแต่เรามองไม่เห็นว่าเวลาความสุขที่เราได้จากความอยากนั้นมันจางหายไป อะไรจะมาแทนที่ตรงนั้นมองไม่เห็นมองไม่ไกลพอมองเพียงใกล้ๆว่าเวลาอยากได้อะไรขอให้ได้ทำตามความอยากแล้วจะมีความสุขแต่มันเป็นความสุขเดียวๆแล้วพอมันหมดไปก็เกิดความอยากที่จะหาใหม่แล้วเวลาที่หาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาหรือเวลาหาได้มาแล้วเราต้องสูญเสียไป ก็เกิดความทุกข์เจือใจขึ้นมาใหม่เพราะเรามองไม่เห็นอนิจจังกันเรามองไม่เห็นอนัตตากันเราจึงไปสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราด้วยความอยากให้ของที่เป็นอนิจจังให้เขาเป็นนิจจังคือของที่ไม่เที่ยงให้เขาเที่ยงของที่ไม่ใช่ของเราให้เป็นของเราให้ได้พอเรามีความคิดแบบนี้เราก็เลยสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา นี่คือเรื่องของโมหะความหลงที่ไม่มีใครที่จะแก้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพอมีพระพุทธเจ้ามาแก้ความหลงของพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็สามารถที่จะมาแก้ความหลงของศาสโลกทั้งหลายได้อย่างง่ายดายใครที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถ น้อมนเอาไปปฏิบัติตามได้ใจของเขาก็จะได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้ความเห็นชอบขึ้นมาได้ปัญญาขึ้นมาที่จะเอามาทำลายความหลงที่หลอกให้ใจนั้นไปสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจขึ้นมาพอมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีธรรมะแล้วความมืดบอดความ ความหลงต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดใจก็จะหยุดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนไม่มีวันหมดสิ้นพอหยุดความอยากได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดที่ได้ เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและมากมายกายกองนับไม่ทั่วนี่แล้วก็มีวันสิ้นสุดลงสิ้นสุดลงในขณะที่ใช้ปัญญาหยุดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในใจได้บุคคลเหล่านั้นก็เลยได้กลายเป็นพระอารหาันตสาวกขึ้นมาได้พบกับความสุขที่ถาวรที่มีอยู่ในใจ ความสุขที่ถาวรนี่เราเรียกว่านิพานเพราะนิพานนี้ไม่ใช่สถานที่ไม่มีสถานที่สถานที่ไหนอยู่ที่ไหนถ้าใจทุกข์มันก็ทุกข์ทุกแห่งจะอยู่ในวังอยู่ในกระสอบอยู่เมืองนอกเมืองนาอยู่ที่ไหนถ้าใจทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนเดิมมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่ถ้าใจสุขแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนใจก็จะสุขเสมอไป ความสุขความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้เป็นสถานที่น่าเป็นภาวะของใจนิพพานก็เป็นภาวะของใจนิพพานก็คือภาวะของใจที่มีความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีเสื่อมไม่มีหมดไปนอกกนั้นเป็นความสุขที่มีวันเสื่อมเช่นความสุขที่ได้จากสมาธิอันนี้ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขชั่วขณะที่ใจรวมอยู่ในสมาธิแต่พอถอนออกจากสมาธิมาพอมาเกิดความอยากขึ้นมาความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนั้นก็จะหายไปทันทีจึบไม่ได้เป็นนิพพานเพราะว่าความสงบนั้นไม่ถาวร น, นั่นเองแต่ถ้าเป็นนิพพานนี้ความสงบนี้จะถาวร ไม่ต้องอยู่ในสมาธิออกมาจากสมาธิก็จะยังสุงสขเหมือนเดิมเหมือนกับอยู่ในสมาธิเพราะไม่มีความอยากต่างๆเพราะว่าได้กำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วจึงเรียกว่าความสงบนี้ว่าเป็นพระนิพพานเป็นปรมังสุขขังเป็นบร ม, มสุข แต่ถ้าเป็นความสงบของสมาธินี้เรายังไม่เรียกว่าเป็นนิพพานเพราะว่าตัวที่จะมาทำลายความสงบของใจนี้ยังยังมีมียังมีอยู่ในใจก็คือโมหะมิจฉาทิฏฐิและตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองที่เป็นลูกน้องของโมหะอีกทีนึ่งความหลงนี้เป็นเป็นเจ้านายเป็นตัวสั่งให้ตัณหาทำงาน พอทันหาความอยากทำงานมันก็ผลิตความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาแต่พอได้ปัญญาปัญญาก็จะมาดับความหลงดับความเห็นผิดเป็นชอบจะสอนให้ใจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทุกเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหยุดความอยากต่าง พอรู้ว่าถ้าทำตามความอยากก็จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยใช่เหตุแล้วสิ่งต่างๆก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงค้นพบด้วยพระ อ, องค์เองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงค้นทรงค้นพบสัจ ธ, ธรรมความจริงอันนี้จัตโลกอย่างพวกเหล่านี้ จะไม่มีวันที่จะค้นพบได้ด้วยตัวของพวกเราเองเราก็จะถูกโมหะความหลงนี้ครอบงำจิตใจและหลอกให้เราไปหาความทุกข์กันโดยหลอกให้เราคิดว่าเป็นความสุขกันเพราะว่าจะหลอกให้เราไม่ให้เห็นความความเป็นอนิจจังของสิ่งต่างๆที่เราไปหากันจะหลอกให้เรามองไม่เห็นว่าเขาเป็นอนัตตา เขาไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราแต่พอพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบสัจธรรมความจริงว่าของทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกเพราะเขาไม่เที่ยงเพราะเขาไม่ใช่เป็นตัวเราของเราพอเขา้าพอทรงค้นพบแล้วพระองค์ก็ส่งได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและได้พบกับพระนิพพาน ความสุขที่ถาวรแล้วก็ส่งนําเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกที่ยังถูกความหลงครอบงามอยู่ให้ได้หลุดออกจากอิทธิพลของความหลงเพื่อที่จะได้ก้าวสู่ความสุขที่แท้จริงเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด จึงปรากฏมีพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากมายด้วยอํานาจของพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะทรงตัดรู้และนําสิ่งที่ได้ทรงตัดรูน้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตวโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์แม้แต่ลูกเดียวไม่มีพระอรหันตสาวกเลยเพราะไม่มีใครที่จะสามารถที่จะรู้ความจริง มีสัมมาทิฐิเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีได้ด้วยตนเองนั่นเองต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนพอมีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคาสอนมาบอกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามาบอกเรื่องอริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วนาเอาไปปฏิบัติกับใจของตนเอง ก็สามารถกำจัดความหลงให้หมดไปจากใจกำจัดความอยากต่างๆที่เป็นลูกน้องของความหลงต่างๆความหลงให้หมดไปพอความหลงความอยากหมดไปความทุกข์ต่างๆก็หายไปหมดเหลือแต่ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบอย่างถาวรเรียกว่าพรานิพานเรียกว่าการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด พระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกจึงนับประมาณไม่ได้ไม่มีใครจะมีพระคุณมากเท่ากับพระพุทธเจ้าแม้แต่พ่อแม่ที่เป็นผู้ให้บงังให้ชีวิตกับพวกเราผู้บังเกิดกล้าวผู้มอบร่างกายสร้างร่างกายนี้ให้กับพวกเราพระคุณของท่านก็เทียบกับพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ถึงแม้ให้ร่างกายให้ร่างกายแก่เราให้เรามีชีวิต แต่ก็ให้เราไปหาความทุกข์กันเป็นเครื่องมือในการหาความทุกข์กันมีร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องมือให้เราไปหาความทุกข์จากลาบยศสรรเสริญหาความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสผลถพะแล้วก็หาความทุกข์จากร่างกายเองเพราะร่างกายที่พ่อแม่ของเราให้เรามามันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปพระคุณของพระพุทธเจ้านี้มีแต่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงรัฐาวรให้เราไ ด, ด้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างบุญคุณของพ่อแม่และบุญทูตของพระพุทธเจ้าแล้วนี่เหมือนฟ้ากับดินเะบุญคุณของพระพุทธเจ้าจึงเหนือกว่าบุญคุณของใครทั้งหมดในโลกนี้อันนี้ไม่ได้พูดว่าให้ไม่ให้เห็นบุญคุณของพ่อของแม่พ่อแม่ก็มีบุญคุณ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบุญคุณของพพระพุทธเจ้าแล้ววัดกันไม่ได้เลยเพราะประโยชน์ที่เราได้รับจากบุญคุณของพระพุทธเจ้านี้มันมันดีที่สุดเพราะว่ามันทำให้เราไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปมันต้องมันทำให้เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแต่บุญคุณของพ่อแม่นี้ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่สามารถทาให้เราพบกับความสุขที่ถาวรได้ แต่กับเป็นการส่งเสริมให้เราหาความทุกข์ต่อไปเพราะพอมีร่างกายก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับการสูญเสียพัดภาคจากสิ่งต่างๆได้อะไรมาเวลาเขาเสื่อมไปหมดไปก็ต้องรอ้องห่มร้องไห้ร่างกายจึงเป็นเครื่องมือหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นเครื่องมือหาความสุข ก, กัน ในสายตาของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นแต่ในสายตาของผู้ที่มีโมหะความหลงครอบงามอยู่จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขกันอยากจะมีร่างกายสวยๆงามๆเพื่อที่จะได้เอาไปใช้หาความสุขต่างๆกันหาลาภหา ย, ยุทธหาสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลถภาสกันแต่มองไม่เห็นว่าร่างกายนี้ จะให้ดีขนาดไหนสวยขนาดไหนงามขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดนี่คือเรื่องของโมหะความหลงที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถกําจัดให้หมดไปจากพระทัยของพระองค์ได้แล้วก็ช่วยสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมีความหลงนี้ครอบงำอยู่ได้กําจัด ความหลงเหล่านั้นให้หมดไปจากใจของเขาได้ถ้าหากเขามีศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าและมีความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะพยายามปฏิบัติตามคําสอนไม่ว่าจะยากจะง่ายเพียงใดถ้าลองมีศรัทธาความเชื่อแล้วมีความเพียรแล้วผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับนั้นจะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นมาต่อไปอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ปรารถนาได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรจึงจําเป็นจะต้องมีศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าและมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนคือให้กําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปถ้าปฏิบัติได้แล้ว ก็จะได้รับผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่กับขึ้นอยู่กับเพศกับวัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ก, บการเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนขึ้นอยู่กับการที่มีศรัทธาและมีความวิริยะอุสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเต็มที่นี้เท่านั้น ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติปฏิบั ต, บติอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นนักบวช ด, ด้วยคารวะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคนสูงอายุเลือกคนคนยาววัยก็สามารถที่จะได้พรนิพพานมาเป็นสมบัติไว้ครอบครองกันอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่ความศรัทธาว่ามีหรือไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอน ในพระอาริยสงสาวกทั้งหลายวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนที่จะคอยกําจัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปจากใจถ้ามีแล้วรับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลที่ผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบจะได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะทาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจตุตสาพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุธาปจายโน จตโรธัท ม, มาวัานติอายุวนโนสุขังภาลาําลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญขึ้นมาถามที่บนศาลานี้ได้ผ่านไมโครโฟน ถ้ายังไม่มีใครถามเดี๋ยวก็จะให้ทางพิธีกรเอาปัญหาทางบ้านมาถามก่อนอุ่นเครื่องก่อนเดี๋ยวคนเดินฟังแล้วเดี๋ยวจะได้เครื่องร้อนคำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามกรณีคนไข้หัวใจหยุดเต้นต่อมาแพทย์ใช้เครื่องมือกระตุ้นหัวใจเต้นได้อีก หัวใจอยู่เต้นชั่วขณะคนไข้ ย, ยังไม่ตายจิตยังคงอยู่ในกายใช่ไหมครับถ้ายังฟื้นขึ้นมาได้ก็แสดงว่าจิตยังไม่ได้ทิ้งถ้าทิ้งแล้วก็กระตุ้นยังไงก็คงจะไม่ไม่กลับคืนขึ้นมาได้แล้วถ้าเป็นคนที่ตายไปแล้วจิตออกจากกายไปก่อนหรือว่าก่อนหมดลมหายใจหรือว่าหลังจากหมดลมหายใจแล้วจิตถึงออกไปคะอันนี้ต้องดูเอาเอง <laughs> คำถามจากผู้ฝากถามสุนัขได้เสียชีวิตด้วยรถชนและด้วยความห่วงสุนัขมากเกรงจะไม่ได้กินอาหารพอลุ้งเช้าได้นำอาหารสุนัขมาใส่กระบะเวลาทุกข์ใจมากไม่ถูกรู้สึกทุกข์ใจมากไม่รู้ว่าที่ทำถูกต้องหรือเปล่าคะต้องแก้ไขอย่างไรคือสุนัขหรือคนเนี่ยมันมีสองส่วนด้วยกันคือมีส่วนร่างกายและส่วนจิตใจ อาหารของจิตใจกับอาหารของร่างกายก็มีแต่ไม่เหมือนกันอาหารของร่างกายก็อาหารที่เรากินกันหรืออาหารที่เราให้สุนัขกินแต่ถ้าร่างกายตายไปร่างกายมันก็ไม่ต้องกินแล้วเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นแต่ใจนี่ยังต้องกินต่อใจก็กินบุญที่ได้ทําไว้หรือบาปที่ได้ทําไว้ะ พอออกจากร่างกายไปก็ต้องอาศัยบุญาอาศัยบาปที่ทำไว้นั่นแหละเป็นอาหารต่อไปคำถามจากผู้ฝากถามครอบครัวดิฉันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ภายในรั้วบ้านเดียวกันแยกเป็นหลังๆมีทั้งปู่ย่าลุงป้านนะ้าอาลูกๆห ล, ล, ลานๆต่อมาป้าของดิฉันซึ่งเป็นโสดเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถชน ไม่ทันได้สั่งเสียอะไรหลังจากเผาศพแล้วก็ทำความสะอาดบ้านพบว่าในบ้านป้ามีทั้งกุมารทองลักยมและอื่นอื่นอีกมากมายสอบถามดูตอนป้ายังอยู่ต้องทำอาหารถวายและทำกลวยดอกไม้บูชาทุกวันและดิฉันและพวกหลานๆไม่รู้จะทำอย่างไรดีไม่มีคนในบ้านนับถือหรือสืบทอดอะไรรวมทั้งป้าก็ไม่ได้บอกมอบหมายให้ใครด้วย พอต่อมาเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆมีเสียงเด็กหรือเสียงโวยวายบางทีก็ไปดึงแขนขาคนภายในบ้านแต่ดิฉันยังไม่เคยเจอแต่ไม่กล้าลบหลู่ขอกราบเรียนถามว่าเหตุการณ์ที่เล่ามามีจริงหรือไม่ดิฉันไม่เคยเจอแต่คนอื่นๆก็เจอบ้างหรือเป็นการคิดไปเองคะคือมันก็จริงกับคนที่ได้เจอนั่นแหละแต่คนที่ไม่เจอก็มันก็ไม่จริง งั้ถ้าเราไม่เจอเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันถ้าเราเจอก็ให้ให้หัดใช้ธรรมะมาเป็นวิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเราสามารถใช้ธรรมะปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราเจอได้เช่นเวลาเจอผีหรือเจออะไรก็ให้สวดพุทธโธไปบริกรรมพุทธโธไปใจเราสงบแล้วความกลัวผีมันก็จะหายไป ผีก็ทำะไรเราไม่ได้ฉะนั้นก็มันเรื่องของแต่ละคนซึ่งอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างคือบางทีก็เป็นเรื่องปรุงแต่งขึ้นมาเองของใจเองคนเราเวลาไปมีเหตุการณ์อะไรแล้วมักจะปรุงแต่งไปตามเหตุการณ์นั้นพอมีคนตายในบ้านนั้ น, นก็ปรุงแต่งแล้วว่าต้องมีดวงวิญญาณของคนตายวนเวียนอยู่ตรงนี้พอตุกแกมันล่องขึ้นมาทีก็คิดว่าคนตายมาเยี่ยมแล้วมาหาแล้วมันก็คิดไปตาม ความรู้สึกนึกคิดไปเท่านั้นเองผู้ตายความจริงแล้วดวงวิญญาณของผู้ตายนี้ส่วนใหญ่เขาก็ไปตามบุญตามบาปของเขาแล้วเขาไม่มีเวลาที่จะมาเล่นจ้าเอ๋กับเราให้เสียเวลาเปล่ า, ลาส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของเราเปรุงแต่งไปเองคนในบ้านจริงบางคนเจอบางคนไม่เจอคนที่เจอก็เพราะชอบคิดมากคิดมากก็เลยเจอคนที่ไม่คิดมากก็ไม่เจอ เหมือนบนเขาเนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมบางคนก็เจอโน่นเจอนี่บางคนก็ไม่เจออะไรคนที่ใจสงบไม่คิดอะไรนี้มากจะไม่ค่อยเจออะไรแต่คนที่คิดมากเนี่ยเดี๋ยวอะไรมามันก็คิดไปเองพอได้เสียงลมพัดก็คิดไปแล้วว่ามาแล้วอเสียงอะไรหน่อยมา ก, ก็คิดไปแล้วมาแล้วมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนิสัยของแต่ละบุคคลมากกว่าวเราไม่ต้องไปกังวลถ้าเราไม่มีก็ดี ถ้าเราไปเจอก็ให้ใช้ธรรมะของพระเจ้าในปฏิบัติไปพยายามรักษาใจของเราให้เนื่งให้สงบอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เรารมาปรากฏให้เรารับรู้ให้กลับมาที่ความสงบของใจแล้วปัญหาต่างๆก็จะไม่มีแล้วดิฉันและพวกลวหลานๆควรจะทำอย่างไรกับของเหล่านั้นคะจะเอาไปทิ้งก็ไม่กล้ากลัวปัญหาตามมาก็ไว้ที่เดิมกันแล้วกัน ฉันโน้ำม็อกฝากพระอาจารย์ได้ไหมค ะ, ะไม่ได้หรอกของดีไม่เอามาให้เอาแต่ของไม่ดีมาให้วัดนี้มีกองขยะของพวกนี้เต็มไปหมดมคำถามจากผู้ฝากถามทำอย่างไรเราจะสามารถลืมอดีที่เจ็บปวดได้คะก็อย่าไปคิดถึงมันเลยพุโทโธพุโทโธไว้ทุกครั้งเวลาคิดถึงอดีตก็พยายามหยุดมันด้วยพุโทโธบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจ ใจเรากาะติดอยู่กับพูดโธรไปสักพักเดี๋ยวมันก็ลืมไปงแล้วเราจะสามารถอโหสิกรรมอภัยโทษคนที่ไม่ดีกับเราที่ปัจจุบันยังเจอกันอยู่เวลาโยามเจอเขายมก็จะพูดโธตลอดก็ทําให้ผ่านไปได้บ้างแต่พอเจออีกก็จะไม่พอใจอีกก็ต้องพูดโธรอีกเป็นอย่างนี้ตลอดได้บ้างไม่ได้บ้าง มีวิธีไหนที่เราจะอโหสิกรรมให้อย่างเด็ดขาดได้บ้างคะก็ต้องเห็นว่าการมีความโกรธเกลียดเขานี่ยเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเองถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องเลิกโกรธเลิกเกลียดเขาถือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันมันก็ไม่มีเหมือนกับไม่มีแล้ว แต่เราชอบไปคิดถึงมันแล้วก็พอคิดถึงมันก็สร้างความโกรธความเกลียดขึ้นมาให้กับใจของเราเนี่เราต้องอย่าไปคิดถึงอดีตนะให้ลืมมันไปเสียแล้วก็หให้รู้จักคำว่าให้อภัยคืออย่าไปจองเวรจองกรรมกันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับเขาอีกต่อไปการให้อภัยนี่ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่ง เรียกว่าพยทานเหมือนกับเวลาเราถวายอาหารใส่บาตรนี่เขาเรียกว่าวัตถุทานวัตถุคือให้ข้าวของเช่นอาหารกับข้าวกับปลาอาหารก็เป็นวัตถุทานเวลาใครก็ทาให้เราโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเราก็ให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้ยกโทษให้เขาได้เราก็จะสบายใจโทษอยู่ที่ใจของเราที่ไปโกรธไปเกลียดเขาให้อภัยเขาไม่ได้ ตัวนี้เป็นต่างหากที่เราต้องทำลายไม่ใช่คนที่เขามาทำให้เราโกรธเกลียดเพราะถ้าเราไปทำลายคนที่เขาทำให้เราโกรธเกลียดเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทำลายเราต่อมันก็จะเป็นเรื่องที่จะสู้กันไปต่อไม่ยังไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราให้อภัยเขาเรายุติเกี่ยวข้องไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เขาก็หยุดเราก็หยุดแล้วในที่สุดทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติ คำถามจากคุณยิ่งพันผมเป็นพนักงานอัยการทำงานอยู่ท่ามกลางระหว่างผู้เสียหายจำเลยสารตำรวจและพยานเราจะวางใจของเราอย่างไรไม่ให้ตกอยู่ในอคติได้ครับก็ต้องว่าไปตามหลักฐานตามเหตุผลตามความเป็นจริงผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกคำถามจากคุ ณ, คณทิติการ พักหลังนั่งสมาธิตัวจะเริ่มแข็งต้องยืนสมาธิถึงดีขึ้นเดินจงกรมก็ไม่ได้ใจไม่นิ่งเหมือนยืนสมาธิเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะว่าใจไม่ชอบนั่งไม่ชอบเดินชอบยืนก็ทำไปตามที่ใจชอบก็แล้วกันคำถามจากคุณโทลีรู้สึกหัวใจจะมีอาการแปลกๆหลายครั้งคะ่ะ แต่ก็พอจะจับตาดูดีๆมันก็หายลักษณะมันมีหลายอาการรู้สึกกระชากเหมือนมีอะไรขวางลักษณะขัดขัดมีลักษณะอาการเหมือนเครื่องโยนตจะดับถูกผิดประการใดโปวดชี้แน่ด้วยค่ะเรต้องไปหาหมอหัวใจแล้ว <c oughs> เราเราเป็นหมอใจหมอใจกับหัวใจก็ละเรื่องกันหัวใจก็คือตัวที่เต้นตุบๆอยู่ในกลางอกนี่ถ้าเป็นตัวนั้นก็ต้องไปหาหมอหัวใจ แต่ถ้าเป็นใจที่เครียดที่ทุกข์นี่ก็มาที่นี่ได้คนละเรื่องกันคำว่าใจเหมือนกันแต่คนละตัวกันคําถามจากคุณอุ้มการที่เรามองเห็นศพของแม่นอนอยู่แต่จิตกลับคิดว่านั่นไม่ใช่แม่เรานั่นคือที่อาศัยของแม่เป็นบาปหรือไม่คะไม่หรอกเพราะร่างกายมันก็เป็นที่อาศัยของดวงจิตดวงใจของพวกเราทุกคนนั่นแหละ ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่เราใช้ขับพาเราไปไหนมาไหนเท่านั้นเองเวลาที่ร่างกายของแม่ตายไปแม่ก็คนขับรถคนขับร่างกายนี้คือแม่ไม่ได้ตายเพราะใจของแต่ละคนที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่มีใครตายกันใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเรียกว่าเกิดใหม่ความจริงใจไม่ได้เกิดใหม่ใจไปซื้อรถใหม่ไปซื้อร่างกายกันใหม่มาขับต่อเท่านั้นเอง คำถามจากคุณวัดสิริผมมีโอกาสได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาสักการะบูชายังที่พักของตนทำวัดสวดมนต์อยู่เสมอเสมอแต่ที่พักของผมนั้นเป็นอาพาร์ตเมนต์มีห้าชั้นผมอยู่ชั้นสองผมได้กั้นเป็นห้องพระโดยเฉพาะจะเป็นการสมควรหรือไม่ประการใดครับ เพราะมีคนที่พักอาศัยอยู่เหนือห้องพระที่ประดิษฐานพระโบรมสารีลิกธาตุอยู่เหนือขึ้นไปเรอไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกขอให้เร า, เาใช้สถานที่ของเราเป็นตัววัดก็แล้วกันความเหมาะสมในห้องของเราสูงตามเอาแค่เฉพาะห้องของเราอย่าไปยุ่งกับห้องของคนอื่นเดี๋ยวเกิดเครื่องบินบินผ่านหัวมาก็จะยุ่งวุ่นวายใหญ่คำถามเจ้าคุณพัทลพรข้อแรก มีความตั้งใจปฏิบัติอย่างยิ่งแต่ดูเหมือนสมาธิไม่พัฒนามีวิธีแก้ไขอย่างไรคะเพราะสติไม่มีกำลังพอนั่นเองต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆก่อนสติเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาเหมือนกับการลดน้ำพรวนดินต้นไม้นี้เป็นเหตุที่จะทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราไม่ลดน้ําเลยไม่พรวนดินเลยปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมโอกาสที่มันจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมานี่คงจะยากถ้าจเจริญก็คงจะช้ามากแต่ถ้าเราหมั่นพรวนดินหมั่นลดน้ําอยู่ทุกวันนี้เราจะเห็นความก้าวหน้าของต้นไม้ได้อย่างชัดเจนฉันใดถ้าเราหมั่นจเจริญสติอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรามานั่งสมาธิเท่านั้นเราจะเห็นความก้าวหน้าของการ ปฏิบัติของเราต้องเจริญตั้งแต่เตินขึ้ น, นมาเลยคำว่าสติก็คือคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธก็ได้หรืออยู่กับร่างกายก็ได้ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกเริยาบททุกการกระทําไม่ให้ใจไปคิดเรื่องอื่น ถ้าใจเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจมันก็จะเกาะติดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวถ้ามันเกาะติดอยู่ปั๊บเดียวเดียวมันก็เข้าสู่ความสงบได้ข้อสองการพิจารณาความตายที่พระอาจารย์ได้สอนสิ่งที่กำหนดยากมากคือบ่วงแห่งบุตรที่พยายามดูแม้แต่จะคิดยังไม่กล้าเลยควร ม, มีอุบายสอนจิตตนอย่างไรคะ บุตรก็เป็นเหมือนเราร่างกายเขากับร่างกายเรามันก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้คิดดีหน่อยก็ลองคิดว่าต่อไปเขาก็โตขึ้นเป็นหนุ่มแล้ว ต, ต่อไปเขาก็ต้องเป็นคนแก่แล้วต่อไปเขาก็ต้องเป็นคนตายเหมือนกันตายช้าตายเร็วมันก็ตายเหมือนกันถ้าถึงเวลาไม่มีใครห้ามได้คิดถึงของเราแล้วคิดถึงของเขาคิด พร้อมๆกันพระพุทธเจ้าบอกเวลาพิจารณากายนี้พิจารณาของเราแล้วก็พิจารณาของคนอื่นแล้วก็พิจารณาทั้งของเขาและทั้งของเราว่าเป็นตกอยู่ในสภาพเหมือนกันอันเดียวกันเป็นดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเนหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาเท่านั้นเองคําถามจากคุณนะรพลผมสนใจศึกษาธรรมะ และไปปฏิบัติภาวนาที่วัดมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสเวลาจะท่องพุทโธในใจเป็นปร ะ, ปประจำทำมาเจ็ดถึงแปดปีแล้วปีแรกๆรู้สึกจิตใจสดชื่นสงบเบิกบานมีสติทันกิเลสและควบคุมได้บ่อยครั้งใจเย็นดีกว่าช่วงในปัจจุบันนี้ในปีที่ผ่านมานี้ใจร้อนมากขึ้นไม่ค่อยมีสติเท่าทันอารมณ์ ความโกรธผุดขึ้นง่ายและเร็วมากกว่าเดิมรู้สึกมีอีโก้ในตนเองมากขึ้นกว่าเดิมผมปฏิบัติผิดทางไหมครับก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสติเท่าที่ควรนั่นเองถ้าสติอ่อนเมื่อไหร่กิเลสตัณหามันก็จะมีกําลังมากขึ้นทันทีมันเป็นเหมือนการชักกระเยอะของสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีกาลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางนั้น ถ้าสติมีกำลังมากกว่าสติก็จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบถ้ากิเลสตัณหามีกำลังมากกว่ามันก็จะดึงใจให้ไปเกิดความรู้สึกวุ่นวายใจต่างๆที่กิเลสมีกำลังมากก็เพราะว่าสติอ่อนกำลังนั่นเองดังนั้นต้องพยายามฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆพยายามท่องพุทโธพุทโธไปทั้งวั น, นเวลาไม่ต้องคิดอะไรก็พุทโธพุทโธไป อย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้กคนนั้นคนนี้ถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดให้อยู่กับพุโทโธพุทธเอาไปดีกว่าสบายใจหรือจะใช้อย่างอื่นแทนก็ได้แล้วแต่จริลุบางคนก็คิดถึงความตายก็ได้คิดถึงความตายแล้วทําให้หยุดคิดได้ก็ใช้ความตายไปบางคนก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ดูไปบางคนก็ใช้การสวดมนต์ก็สวดไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ให้ใจว่างใจเย็นใจสบายคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อแรกในการปฏิบัติธรรมนั้นแม้จะปรีกวิเวกสำรวมอินทรีย์แต่ก็ยังต้องมีสังคมนักปฏิบัติด้วยกันบางครั้งก็มีการพูดคุยแม้จะเป็นเรื่องการปฏิบัติและพยายามแล้วที่จะพูดคุยให้น้อยแต่บางครั้งไม่ไวทำให้มีอารมณ์ตามมา บางทีความเห็นไม่ตรงกันบางทีถูกเสียดสีบางทีก็เย้าแย่แม้จะรู้ว่าคนพูดไม่มีเจตนาร้ายแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมีอารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์แล้วก็ต้องมาเสียเวลาในการพิจารณาว่าจะปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ขออุบายหลวงพ่อเมตตาสอนวิธีรับมือในการทำใจให้เฉยในเวลาที่ต้องพบปะผู้คนค่ะ ถ้าไม่จำเป็นต้องพบปะัจะดีที่สุดถ้าจำเป็นก็ต้องอาศัยสติเป็นหลักก่อนหรือถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ปัญญาก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะมีสติหรือมีปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วก็มองทุกคนว่าเป็ น, เ, ปนเหมือนฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟเราไปจัดการกับเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปห้ามไม่ให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไม่ได้ ก็ปล่อยเขาพูดไปก็อยากจะพูดอะไรก็ปล่อยพูดไปแล้วก็ฟังไปถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาพูดในสิ่งที่เราชอบเราก็จะไม่เดือดร้อนเราต้องหัดทําใจให้เฉยๆว่าเราเราเป็นเหมือนอเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะต้องไปตามกระแสของเหตุการณ์เราไปควบคุมเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้ ถ้าเราคุมได้ก็คุมไปถ้าคุมไม่ได้ก็ต้องไหลไปกับมันปล่อยให้มันปล่อยให้มันพูดไปปล่อยให้มันทําไปเราก็พุโทโธพุโทโธไปก็ได้ถ้าเราทําใจให้เฉยไม่ได้ก็เราเลือกถึงพุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับใครได้ยิ่งดีไปหาที่อยู่คนเดียวดีกว่าการฝึกหัดปฏิบัติธรรมนี้ต้องหาที่ดีๆเหมือนกับการปลูกข้าว ต้องหาที่ดินดีน้ําดีมันจะได้เจริญงอกงามถ้าไปปลูกข้าวบนที่ดอนเช่นไปปลูกบนเขานี่โอกาสที่มันจะเจริญงอกงามมันยากต้องไปปลูกในที่ลุ่มที่น้ําดีดินดีเวลาภาวนาก็ต้องไปปฏิบัติที่ไม่มีการคุกคีกันต่างคนต่างอยู่กันเวลามาทํากิจกรรมร่วมกันก็ห้ามพูดคุยกันต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนไป ทำเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปถ้ามีฐานที่อย่างนั้นก็จะช่วยได้เพราะในเบื้องต้นนี้ใจของเรายัางไม่เข้มแข็งพอที่จะรับกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระแทกกับใจเราได้เราเลยจำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่ที่ไม่ต้องมารับรู้เรื่องราวต่างๆจากคนอื่นแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาแล้วต่อไปเราจะไปอยู่ที่ไหนมีการพูดมีการทาอะไร เราจะสามารถที่จะควบคุมใจของเราได้เราก็จะไม่เดือดร้อนข้อ2ตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูเข้าใจว่าใช้ปัญญาอบรมใจสอนใจไปเรื่อยๆจนใจยอมรับและวางจากความฟุ้งซ่านต่างๆแล้วมันจะเข้าสมาธิได้อัตโนมัติแต่ก็ไม่เคยเข้าได้สักทีอย่างมากได้แค่สงบจากความฟุ้งซ่านแต่เข้าไม่ถึงฐานค่ะ กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการเข้าสมาธิได้นี้จะต้องใช้สติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะเข้าได้ใช่หรือไม่คะมันก็ได้ทั้งสองอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้วยถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ที่มันกระเทือนใจอย่างแรงๆแล้วเราใช้ปัญญาหยุดมันได้ใจก็รวมเข้าสมาธิได้เช่นเราไปเจอความกลัว ไปเจอเสือแล้วเราก็ปรงใช้ปัญญาว่าตายก็ตายวะยอมตายถ้ายอมตายภาพจิตมันก็ปล่อยร่างกายมันก็ดิ่งเข้าสู่สมาธิได้แต่มันต้องมีเหตุการณ์ที่กระแทกใจจริงๆถ้าเป็นเหตุการณ์เบาๆมันก็จะเพียงแต่ทำให้มันไม่ฟุ้งซ่านเท่านั้นเองถ้ามันหายฟุ้งซ่านแล้วถ้ามันยังไม่รวมก็ต้องใช้สติเป็นตัวช่วยต่อไป ให้บริกรรมพุโทโธต่อไปแล้วดูลมหายใจต่อไปถ้าเดี๋ยวมันก็จะดึงใจเข้าไปสู่สมาธิได้ข้อสมีหลายคนพูดว่าถ้าใช้สติอย่างเดียวจะกลายเป็นโง่ทื่มแล้วกลัวกันว่าจะติดสมาธิจะไม่มีปัญญาแต่พอหนูฟังเทศหลวงพ่อหลายๆกันแล้ว หนูก็เข้าใจว่าการที่คนเราเข้าสมาธิได้อย่างชำนาญ น, นั้นไม่น่าจะโง่เพราะอย่างน้อยเขาก็เอาชนะนิวร์เอาชนะการมชันทะที่ขวางทางความสงบได้และการที่ได้ฐานของสมาธิที่แน่นหนาแล้วก็เท่ากับมีภาชนะรองรับปัญญาจากครูบาอาจารย์ซึ่งน่าจะไปได้ไวกว่าคนที่เข้าใจว่าต้องใช้ปัญญา แต่กลายเป็นความฟุ้งซ่านอันนี้หนูเข้าใจถูกไหมคะเพราะบางทีหนูก็เขวไปกับคำพูดของเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันคะ่ะถูกแล้วถ้าใช้ปัญญาแล้วใจไม่สงบก็แสดงว่าสิ่งที่เราใช้มันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสังขารความคิดปรุงแต่งยังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดกิเลตตันหาทาให้ใจสงบได้งนั้นก็ ใช้วิธีนั้นก็จะไม่มีวันที่จะทำให้ใจเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องใช้วิธีสติลเลือกรู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปการที่เราฝึกสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธินี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการทำให้เราโงา่แต่มันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำเป็นขั้นขั้นเหมือนกับการเรียนกอไก่ขอไข่ถ้าบอกว่าการท่องกอไก่ขอไข่นี้ทําให้โง่งั้ก็ไม่ต้องท่องมันสิ ไปอ่านหนังสือเลยไปเปิดหนังสืออ่านเลยแต่มันก็อ่านไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่รู้จักวิธีสะกดไม่รู้ความหมายของคําที่เราอ่านว่าเป็นอะไรเราก็ต้องเริ่มจากการท่องกอไก่ขอไข่ไปก่อนแล้วก็มาหัดสะกดแต่ละคําเมื่อสะกดเป็นแล้วเราก็มาหาความหมายของแต่ละคําว่ามีความหมายแปลว่าอะไรแล้วเราถึงจะสามารถอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือได้อย่างคล่องแคล่วสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างสะดวก ฉันใดการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันต้องผ่านท่านสติไปก่อนเพื่อทำให้ใจสงบแต่การทับใจใสงบท่านก็บอกว่าสำหรับคนบางคนสามารถใช้ปัญญาทำให้สงบได้ก็ใช้ปัญญาก็ได้แต่ถ้าใช้แล้วมันไม่สงบก็แสดงว่ามันไม่เป็นปัญญามันต้องสงบเหมือนกับเหมือนกับสงบจากสติคือจิตรวมเป็นหนึ่งเป็นอัปปนาเนี่ยทยเรียกว่าเป็นสมาธิ ถ้าได้สมาธิแล้วมันก็จะมีฐานรองรับในการที่จะเจริญปัญญาต่อไปอย่างเมื่อกี้ที่มีคนผู้หญิงที่ใครที่ถามว่าเวลาพิจารณาความตายแล้วต้องคิดถึงความตายของลูกชายนี่คิดไม่ออกก็นั่นก็เพราะว่าใจยังไม่มีสมาธิไม่มีความสงบพอใจยังมีกิเลสตัณห า, ามาแทรกซ้อนอยู่มาคอยทำให้รู้สึกม่ความไม่สบายใจไม่อยากจะคิดถึงความตายของลูก แต่ถ้าเวลาได้สมาธิมาแล้วความรู้สึกเหล่านี้จะไม่มีจะสามารถคิดถึงความตายของคนทุกคนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือเราเกลียดหรือคนที่ดีหรือชั่วกับเราเนี้เราจะพิจารณาได้เท่าเทียมกันหมดเลยว่าเขาก็เป็นเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดทุกคนดังนั้นนี่คือความจำเป็นของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไม่สามารถที่จะพิจารณาทางปัญญาได้อย่างคล่องแคล่ว และร ว, วดเร็วอาจจะติดอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาที่ไปผูกพันกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นทําให้ไม่อยากจะคิดถึงความตายของเขาคำถามจากผู้ฝากถามคนที่หยิบหนังสือบวรทำบพปิษไปขายบาปไหมคะถ้าเป็นของเขาเราก็จะขายก็มันก็ไม่บาปเลยแต่ถ้าไปขโมยเข้ามาแล้วไปขา ย, ยานี่มันก็บาป พอแล้วเลย อ, อากาบวัสการพระอาจารย์ครับะจะถามเรื่องการภาวนาพดอดีเคยมีคนแนะนํามาว่าการนั่งภาวนาต้องนั่งหลังให้ตรงนะครับทีนี้พอผมพยายามนั่งหลังให้ตรงแล้วเหมือนมันมันมันเกรง็งมันเครียดแล้วผมควรจะทํำยังไงดีครับก็นั่งนั่งนั่งให้มันตรงเท่าที่เราจะนั่งได้โดยที่มันไม่เครียด นั่งให้มันสบายที่ให้นั่งตรงเพราะว่าถ้าหลังงอมันมักจะง่วงมันจะหลับมันจะหลับแต่เวลาเริ่มต้นเราก็ตั้งตั้งตัวให้มันตรงแต่อย่าไปให้มันถึงกับต้องเกร็งพยายามให้มันตรงแบบสบายสบายเท่าที่เราจะนั่งได้แล้วพอเราเริ่มภาวนาก็ไม่ต้องไปกังวลกับท่าของร่างกายถ้ามันจะงอหรือจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้มีสติอยู่กับงานที่เรากาลังทาอยู่ก็แล้วกัน คือถึงแม้ว่าเราจะอก้มตัวลงไปเรื่อยไม่เป็นไรนอกจากมันล้มลงไปก็ลุกขึ้นมานั่งใหม่ถ้ายังนั่งภาวนาได้ก็ไปแต่รู้สึกว่ามันมันเองมันเองไปทั้งข้างหน้าข้างหลังก็เรื่องของมันอย่าไปไปกังวลถ้าถ้ากังวลแล้วมันจะเสียสมาธิเสียสติอมันจะไม่มันจะไม่สงบมันจะมัวแต่มาคอยขยับร่างกายอยเรื่อยๆฉะนั้นตั้งท่าร่างกายเป็นข้างหน้าข้างเดียวก็พอ ตอนก่อนจะนั่งแล้วก็พยายามนั่งให้ตรงที่สุดถ้าที่เราคิดว่าเราจะนั่งได้แล้วก็แต่อย่าให้มันตึงหือว่ามันเครียดให้มันตรงแบบสบายไม่เกร็ง <Okay. S 1> พอพอตั้งได้แล้วทีนี้เราก็กําหนดดูถ้าใช้ลมก็ดูลมไปเรื่อยๆถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเรื่อยๆจะมีความรู้สึกว่ามันงอมันเอ็นไปทางซ้ายขวายังไงก็อย่าไปสนใจกับมันปล่อยมันไปถ้าไปกังวลกับมันมันก็ไม่ได้ภาวนา มาโม่แต่นัดตั้งมาขยับร่างกายครับครับข้าราชการครั บ, รบมื่อกมีคนบอกอยากจะถามปัญหาไม่ทราบกลับไปแล้วยังไหมเนาะถาไม่ถามตอนนี้เดี๋ยวเวลาเลิกประชุมก็ไม่ไม่ถามแล้วนะไม่ตอบแล้วอขอก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา